อ๋อไม่ดีนะคะเนตัดทิ้งเลยดิไม่ดีแกไว้ทําไมอยังไม่คันเน่าอ๋อยังไม่เน่านฟันไม่ดีก็ยังถอนทิ้งเลยไม่ใช่ยังอยากเดินอยู่ไม่ใช่อะไรอถ้าไม่อยากเดินก็ตัดทิ้งดีกว่ายงอา่เนี่ยก็เรียกว่าไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่เห็นว่ามี สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาขามันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องดับได้แต่ไม่ยอมให้มันดับก็แสดงว่ายังมองไม่เห็นว่ามันเป็นเป็นเรื่องธรรมดาใจเรามันไม่ยอมรับความจริงก็เลยไม่เห็นความจริงพอไม่เห็นความจริงมันก็เลยทุกข์ เวลาพบกับความจริงถ้าเห็นความจริงก็จะไม่ทุกข์เพราะจะยอมรับความจริงที่มันทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริงปฏิเสธความจริงก็เหมือนกับไม่มองไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นธรรมทาไปว่าความจริงความจริงของสิ่งทั้งหลายมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเราไม่ยอมให้มันดับเหมือนกันเรามองไม่ยอมมองความจริงไม่ยอมรับความจริงเพราะกิดความอยากไม่ให้มันไม่ดับนี่มันก็เลยทําให้ใจทุกข์ใจของเราทุกข์เพราะความอยากอยากได้สิ่งที่ไม่ดับ แต่ไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันต้องดับได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับเพราะทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงไม่ถาวรไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายของเรานี้เปลี่ยนแปลงทุกวินาที แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงมันมันทีละเล็กทีละน้อยเราเลยมองไม่เห็นว่ามันกำลังเปลี่ยนแปลงเหมือนกับตัวสัตว์เนื้อคานตัวหนอนตัวไช่เดือดนี้มันขยับทีละนิดทีละนิดก็เลยคิดว่ามันไม่ได้ขยับแต่ถ้าเรา ไม่ดูมันสักพักกลับมาดูมันโอหมันไปไกลแล้วร่างกายเรานี่ลองย้อนกลับไปดูสิปีที่แล้วถ่ายรูปไว้สิปีที่แล้วแล้วดูร่างกายของเราวันนี้กับสิปีที่แล้วนี่มันเป็นคนละคนกันเลยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนทุกวินาทีเนีย่ยตอนนี้ วินาทีที่แล้วกับวินาทีนี้ร่างกายเราไม่เหมือนกันนะเพียงแต่เราไม่มีเครื่องมือมาวัดความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแต่มันเสริมลงไปนิดหนึง่งนะถ้าเป็นเด็กมันก็จะเลื่อนขึ้นมานิดหนึง่งนะเห็นไหมเด็กวันวันหนึ่งเห็นมันทุกวันไม่รู้สึกว่ามันโตเลยแต่พอกลับไปดูรูปที่ถ่ายเมื่อปีสองปีก่อนนี่โอ้มันคนละคนอ่ะ นี่คืออนิจจังการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็มีเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนแบบที่เราชอบกับเปลี่ยนแบบที่เราไม่ชอบเปลี่ยนแบบที่เราชอบก็คือจเจริญถ้าจเจริญเราชอบแต่ถ้าเสื่อมเราไม่ชอบเพราะเรารักสิ่งที่เรามีอยู่ เราไม่อยากจะให้มันเสียไม่อยากจะให้มันเสื่อมไม่อยากจะให้มันหมดไปความอยากเนี่ยความอยากไม่ให้มันเสื่อมมันเลยทำให้เราไม่สบายใจกันไม่ใช่เพราะความเสื่อมที่ทำให้เราไม่สบายใจแต่ความอยากให้มันไม่เสื่อมทำให้เราไม่สบายใจแต่ความอยากของเราก็ไม่สามารถไปยับยั้ง ไม่ให้มันเสื่อมได้ยับยับยั้งความเสื่อมไม่ได้ความเสื่อมมันเป็นความจริงของธรรมชาติธรรมชาติเขาจะมีเจริญแล้วเขาก็จะมีเสื่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นธรรมชาติหมดร่างกายเรานี่ก็เป็นธรรมชาติแต่เราไป หลงไปคิดว่าร่างกายไม่ใช่เป็นธรรมชาติร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นของที่เราควบคุมบังคับได้แต่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ทุกอย่างเราจะบังคับให้ร่างกายเดินไปไหนมาไหนได้บังคับให้ยืนบังคับให้นั่งบังคับให้วิ่งได้ แต่เราไปบังคับไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้บังคับให้เราเป็นเหมือนวันเป็นอย่างนี้อยู่ไปอย่างนี้ไปทุกวันไม่มีการเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้เวลามันจะโตมันก็โตของมันไปเรื่อยๆ เ, เวลามันจะหดมันก็หดลงไปมันดัดเสริมมันก็เสริมลงไปนี่แหละคือดวงตาเห็นธรรมให้เห็นความเสื่อมให้เห็นความ ให้เห็นอนิจจังหเห็นความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดดับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ยกเว้นมีสิ่งอยู่หกสิ่งด้วยกันที่มีไม่เกิดไม่ดับเรียกว่าธาตุเดิมธาตุเดิมนี้มีอยู่หกธาตุด้วยกันที่มีอยู่ ยังไงก็มีอยู่อย่างนั้นธาตุที่หนึ่งก็คือธาตุดินธาตุที่สองก็คือธาตุน้ำธาตุที่สามก็คือธาตุลมธาตุที่สี่ก็คือธาตุไฟธาตุไฟก็จะเป็นไฟไปเรื่อยๆไม่เปลี่ยนธาตุน้ำก็เป็นน้ำไปเรื่อยยไม่เปลี่ยนธาตุดินก็เป็นดินไปเรื่อยๆธาตุลมก็เป็นลม แล้วธาตุที่ห้าก็คืออาวาการธาตุทีท่ห้าก็คืออาวาการสาัทธษคือความว่างความว่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ไปที่ไหนก็เจอมันเหมือนทุกแห่งทุกคนความว่างมันมีอยู่ของมันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นมันไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วอันสุดท้ายก็คือธาตรู้ธาตรู้ก็คือใจของพวกเราเนี่ย ใจที่รู้ที่คิดนี่ก็เรียกว่าเป็นธาตรู้พวกนี้ไม่เกิดไม่ดับเป็นของที่มีอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นส่วนอย่างอื่นมันเป็นของที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุทั้งหกเช่นร่างกายนี้ก็เป็นการรวมตัวของธาตุทั้งหกร่างกายเรานี้มีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟ มีอวกาศาธาตุแล้วก็มีธาตุรู้จึงทําให้ร่างกายเหล่านี้มีการเจริญเติบโตเวลามารวมกันตอนต้นมันก็รวมกันนิดเดียวร่างกายนี้เวลามันรวมกันมันรวมกันแค่ น, น้ำสองหยดน้ํามาจากพ่อหยดหนึ่งน้ํามาจากแม่หยดหนึ่ง พอามารวมกันแล้วมันก็เริ่มขยายพันธุ์ขยายตัวขยายจนกระทั่งอยู่ในท้องแม่ไม่ได้เก้าเดือนมันก็ต้องออกมาจากท้องแม่เพราะมันกําลังเจริญเติบโตพอออกมาจากท้องแม่มันก็มาเจริญเติบโตต่อเพราะมันก็เอาธาตุเข้าไปเพิ่มเอาธาตุดินธาตุน้านําที่เป็นอาหาร อาหารก็เป็นธาตุดินอาหารต่างๆนี่มาจากดินนะข้าวเราก็ต้องมีดินถึงจะปลูกข้าวขึ้นมาได้ผักก็ต้องมีดินส่วนพวกเนื้อสัตว์มันก็กินผักกินหญ้าแล้วก็เปลี่ยนจากหญ้ามาเป็นเนื้อสัตว์แล้วพอเรากินพวกนี้เข้าไปมันก็เข้ามาเปลี่ยนเป็นอาการ32ของร่างกาย มาเปลี่ยนเป็นมาธาดินน้ำลมไฟที่เราเอาเข้ามาทางอาหารทางน้ำที่เราดื่มทางอากาศที่เราหายใจอากาศหายใจนี่ก็เรียกว่าธาดลมธาดไฟก็คือความร้อนที่เราได้รับจากแสงอาทิตย์เมื่อมารวมผสมกันก็เลยทำให้ธาดเหล่านี้แปลงมาเป็นผม ผมเรายาวขึ้นเรื่อยๆนะเห็นเล็บเรายาวออกมาเรื่อยๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆที่มันตั้งอยู่ได้ที่มันไม่หายไปก็เพราะว่ามันยังมีการเสริมอยู่เรื่อยๆเสริมด้วยธาตุดินน้ำนมไฟแต่ระบบนี้มันก็จะมีเป็นสองส่วน ส่วนที่เรียกว่าส่วนที่เจริญกับส่วนที่เสื่อมเบื้องต้นนี้มันก็จะเจริญกันร่างกายก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นไปเทียรเล็กเทียน้อยจนถึงขีดอิ่มตัวของความเจริญพอเจริญเต็มที่แล้วทีนี้มันก็ไม่เจริญมันไม่ใหญ่ขึ้นแล้ว ที่มันมีแต่จะถ้าจะใหญ่ก็ใหญ่แบบตุ่มนะมันจะขยายตัวแต่จะให้มันสูงขึ้นมันไม่สูงขึ้นนะจะให้แขนขายาวขึ้นเมื่อมันถึงจุดอิ่มตัวมันก็จะมันก็เต็มที่ถ้าจะมันก็มีแต่จะขยายทางด้านข้างออกไปทำให้แขนขากว้างขึ้นใหญ่ขึ้น ร่างกายใหญ่ขึ้นไปแต่จะขยายยังไงมันก็มีจุดอิ่มตัวของมันแล้วมันก็เริ่มอยู่เข้าสู่ส่วนที่สองคือส่วนของการเสื่อมร่างกายพอจะเริ่มติบโตเต็มที่แล้วทีนี้ก็จะเริ่มนับถอยหลังนับถอยหลังกลับไปสู่การแตกแยก ครึ่งแรกนี้จะเป็นการผสมผสมประสานของธาตุสี่ครึ่งหลังนี้จะเป็นการแตกแยกของธาตุสี่ธาตุสี่จะขอแยกตัวกันจะไม่ยอมอยู่รวมกันพอเกิดการแยกตัวก็เลยทำให้เกิดมีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเริ่มมีมากขึ้นเจ็บตรง กระดูเจ็บตรงกล้ามเนื้อเดี๋ยวก็ไปเจ็บตามอวัยวะต่างๆพราะนี่เป็นการเสื่อมเรื่อยไปกันเป็นการแตกแยกของธาตุสี่ที่มาผสมมารวมกันให้เป็นอวัยวะต่างๆมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยวก็เป็นโรคไตโรคตับโรคหัวใจโรคปอดมันเป็นความเสื่อมที่เกิดจากความไม่เที่ยงของธรรมชาติธรรมชาติมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนมันเจริญเหมือนเวลาเจริญก็เหมือนเวลาเราเดินขึ้นเขาพนะอเราไปถึงยอดเขาเราก็จะไปสูงกว่า น, นั้นไม่ได้แนละ้วถ้าเดินต่อไปก็มันก็จะลงเขาแนละ้ว พอเดินมาถึงยอดเขาแล้วมันก็ถึงเวลาจะต้องเดินลงเขาแล้วร่างกายเราก็ีบแบบภูเขาเนี่ยตอนต้นก็เริ่มต้นจากน้ำสองหยดเนี่ยแล้วก็เติมเอาเอามาเติมกันผสมกันเอาดินเอาน้าเอาลมเอาไฟมาผสมกันในน้ำสองหยดนี้มันก็มีธาตุดินอยู่ได้มีธาตุลมอยู่ด้วย มันมีธาตุสี่อยู่ในนั้น น, นนี่คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายเราต่างจากต้นไม้ใบหญ้าเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้าเขามีแต่ธาตุสี่มีดินน้ำลมไฟกับอากาศาธาตุอากาศก็คือช่องว่างต่างๆในร่างกายเราก็มีช่องว่างช่องว่างระหว่าง อวัยวะต่างๆอันนั้นก็เรียกว่าอาวกาศธาตุต้นไม้เขาก็มีช่องว่างในภ า, ภายในลําต้นเขาก็มีช่องว่างต้นไม้มีห้ามีธาตุเพียงห้าธาตุมีดินน้าลมไฟก็อากาศธาตุแต่ไม่มีธาตุรู้ต้นไม้เลยไม่รู้ไม่มีการรับรู้อะไรใครไปจับต้นไม้ใครไปทําต้นไม้ ตนไม้ยัไม่รู้ว่ามันถูกกระทําแต่ร่างกายนี้มีธาตุรู้รู้ว่าเวลาใครมาจับร่างกายนี้ธาตุรู้จะรู้ทันทีใครมาแตะร่างกายใครมาทําอะไรกับร่างกายธาตุรู้จะรู้ทันทีร่างกายของมนุษย์กับของสัตว์เดรัจฉานี้จึงต่างจากวัตถุอื่นๆวัตถุอื่นๆนี้ไม่รู้ไม่มีธาตุรู้ เช่นโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายทอดอยู่เนี่ยมันไม่รู้ว่ามันกำลังถ่ายทอดนมันไม่รู้ว่ามันกำลังถ่ายภาพแล้วก็ส่งภาพไปทางอินเทอร์เน็ตมันเพียงแต่ทาหน้าที่ตามที่เขาได้สร้างมันขึ้นมาแต่คนที่ควบคุมเครื่องนี้มีธาตรู้ก็จะรู้ว่า มีการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องหรือไม่หรือมันมีการติดขัดตรงไหนเดี๋ยวถ้าติดขัดทาตรู้ก็จะแจ้งเข้ามาผู้ที่แจ้งรายการรายงานเข้ามาว่าตอนนี้เสียงไม่มีตอนนี้ภาพหายไปคือธาตุรู้ที่มาร่วมอยู่กับร่างกายร่างกายนี้มัน เมื่อถึงเวลาที่มันจะแยกตัวมันก็จะแยกทางกันไปเวลาคนตายนี่ก็มันก็จะเริ่มสลายธาตุน้ําก็จะแยกออกจากร่างกายธาตุลมก็แยกออกจากร่างกายธาตุไฟก็ออกจากร่างกายทิ้งไปนานๆก็เหลือแต่ธาตุดินธาตุรู้ก็แยกออกไปจากร่างกาย ไปคนลทิศคนลทางกันธาตุน้ำก็กลับไปสู่ต้นสังกัดเขาธาตุน้ำก็กลับไปรวมกับน้ำธาตุลมก็กลับไปรวมกับลมธาตุไฟก็กลับไปรวมกับไฟธาตุดินก็กลับไปรวมกับดินธาตุรู้ก็ไปตามกฎแห่งกรรมตัวธาตุรู้นี่ไปด้วยกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมจะเป็นตัวพาไป พร้อมกับตันหาความอยากผู้รู้ธาตุรู้นี้ไปถ้าจะไปรวมกับธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุลมธาตุไฟใหม่ก็เพราะว่ามีตันหาความอยากเป็นทัวผลักดันให้ไปรู้ไปร่วมกับร่างกายอันใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่พอธาตุรู้นี่มีความอยากอยากที่จะดูยังอยากที่จะฟัง อยากที่จะลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากที่จะสัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายธาตุรู้นี้ก็จะไปร่วมกับธาตุสีน้ำลมไฟที่เริ่มก่อตัวในท้องแม่ไปร่วมกันพอร่วมกันก็เกิดปฏิสนธิเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาตอนต้นมีกา ร, ระสมพันธุ์ก่อน มีการผรสมพันธุ์ระหว่างธาตุสี่ของพ่อกับธาตุสี่ของแม่พอมาธาตุสี่ของพ่อของของแม่มารวมกันแล้วมีธาตุรู้มาร่วมก็จะเกิดการตั้งครันขึ้นมาร่างกายก็ร่างกายที่อยู่ในครันนั้นก็จะเริ่มจเจริญเติบโตเพราะจะได้รับธาตุสี่จากทางแม่แม่จะเป็นผู้ป้อนธาตุสี่ให้ อาหารที่แม่กินเข้าไปน้าที่ดื่มเข้าไปส่วนหนึ่งก็แบ่งไปให้ที่ทารกที่อยู่ในท้องแม่ทารกก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาอาวัยวะต่างๆก็จะเริ่มก่ อ, กอร่างสร้างตัวขึ้นมาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรต่างๆก็ค่อยๆค่อยๆปรากฏขึ้นมาเพราะมีการ จเจริญอย่างต่อเนื่องมีการส่งเสริมธาตุสี่ให้ร่างกายนี้จเจริญเติบโตไปแล้วพอจเจริญเติบโตเต็มที่ร่างกายมีอวัยวะครบสามสิบสองอยู่ในคันไม่ได้แล้วก็ต้องออกมานอกคันเกิดการคลอดออกมาพอคลอดออกมาก็มาเติมธาตุสี่ ภายนอกร่างกายออกมาก็ต้องหายใจเองเติมธาตุนมด้วยการหายใจเวลาหิวน้าหิวนมก็เติมธาตุน้ำเข้าไปเติมธาตุดินเข้าไปแล้วพอออกมาธาตุรู้ก็เริ่มทำงานเริ่มรับรู้ความรู้สึกทางร่างกายเวลาร่างกายหิวก็ธาตุรู้ก็จะร้องร้องบอกให ถ้ารู้ของพ่อของแม่รู้ว่าตอนนี้หิวแล้วตอนต้นธาุรู้ของพ่อของแม่ก็ไม่รู้ว่ามันร้องเพราะอะไรก็ลองดูให้น้ำมันกินให้นมมันกินแต่กินมันยังร้องอยู่มันมันเป็นอะไรก็ต้องคอยเช็คไปจนกว่าจะรู้ว่ามันต้องการอะไรตอนนี้พอออกมาจากท้องแล้ว้าุรู้ก็เริ่มทำงาน เวลาอยู่ในท้องก็ไม่ต้องทำงานเพราะว่าตอนนั้นไม่มีมันไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าอยู่ในระบบของแม่ระบบของแม่ดูแลร่างกายอยู่แต่พอออกมาจากท้องแม่แล้วระบบของแม่ไม่ดูไม่ได้ดูแลร่างกายนี้แหร่างกายต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้ว ร่างกายต้องเอาลมเข้ามาเองเอาน้ำเข้ามาเองเอาดินเข้ามาเองเอาไฟเข้ามาเองอ น, นี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราไปหลงคิดว่าไม่ใช่เป็นธรรมชาติเรามักจะคิดว่าร่างกายของเรานี้ไม่ได้เป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศต้นไม้ใบหญ้า เราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนไม่ใช่ธรรมชาติแต่ความจริงไม่มีตัวตนในโลกนี้ทุกอย่างในโลกนี้เป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งสของธรรมชาติเรียกก็เป็นธรรมชาติต้นไม้ก็เป็นธรรมชาติภูเขาก็เป็นธรรมชาติน้ำทะเลก็เป็นธรรมชาติน้ำในลำห้วยก็เป็นธรรมชาติของทุกอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อเป็นธรรมชาติมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนไหวมันก็จะไหลไปจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นเห็นไหมน้ําฝนที่ตกลงมามันก็มันก็ตกมาจากที่สูงแล้วมันก็ไหลลงมาไปสู่ทะเลหรือถ้าเป็นหิมะมันก็อยู่บนภูเขาพ อ, อมันละลายมันก็กลายเป็นน้ําแล้วมันก็ไหลลงมาตามลาห้วยลาทาต่าง พอม่ไปถึงทะเลมันถูกอากาศถูกแดดร้อนเผามันก็ระเหยขึ้นไปใหม่ระเหยขึ้นไปเป็นเมฆแล้วเดี๋ยวมันก็ตกลงมาเป็นน้ำฝนหรือเป็นหิมะอีกแล้วแต่ความร้อนความเย็นของอากาศถ้าเป็นความเย็นก็กลายเป็นหิมะไปถ้ากลายเป็นถ้าไม่เย็นมันก็กลายเป็นฝนไปนี่คือระบบนิเวศระบบของธรรมชาติ มันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ธาตุน้ำไม่มีวันไม่หายไปไหนธาตุดินไม่หายไปไหนธาตุลมไม่หายไปไหนธาตุลมก็เป็นลมอยู่อย่างนั้นธาตุไฟก็เป็นไฟอยู่อย่างนั้นแต่พอเวลามารวมตัวกันมันก็เลยเป็นต้นไม้ใบหญ้ามนุษย์สัตว์ทั้งหลายแล้วธาตุรู้ที่มาครอบครองร่างกายของมนุษย์หรือของสัตว์โดยละชาน ก็ไปหลงเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาไปยึดเอาธรรมชาติมาเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราเพราะคิดว่าเป็นตัวรู้ตัวรู้มันไม่มีรูปร่างมันก็เลยไปอาศัยรูปร่างของร่างกายมาเป็นตัวมาเป็นตัวของตัวรู้แล้วก็มาคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราตัวรู้ตัวตนเป็นของเรา ผู้รู้ผู้คิดเนี่ยมาคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแต่รู้แบบไม่ไม่ไม่ถูกตามความเป็นจริงหนึ่งร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นการผสมรวมตัวของธรรมชาติคือของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มีการรวมตัวแล้วก็ต้องมีการแยกตัวออกจากกันในที่สุดคือธรรมชาตินี้เขาจะ อยู่อยู่รวมตัวกันได้ไม่ไม่นานถึงเวลาเขาจะแยกออกจากกันเวลาแยกออกจากกันก็มีการเสื่อมมีการดับไปตัวรู้ที่มาธาตุรู้ที่มามายึดติดกับร่างกายนี้ไม่ได้ไม่รู้ความจริงอันนี้ไม่สนใจไม่ยอมรับความจริงอันนี้ปฏิเสธความจริงอันนี้ เพราะมีความหลงมีความอยากให้ร่างกายที่มายึดนี้ไม่เสื่อมไม่แยกอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปตลอดซึ่งมันขัดกับความเป็นจริงของร่างของธรรมชาติของร่างกายที่เกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเกิดมาแล้วก็จะเจริญเติบโตพอจเจริญเติบโตถึงขีดสูงสุดมันก็จะเสื่อมจะ จะเริ่มแก่ลงไปแก่ลงไปทีละนิดทีละหน่อยพอแก่ก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้ที่เห็นหมั้ยคนอายุเก้าสิบเก้าปีทำไมไม่เหมือนกับคนที่อายุสิบปีหรือเก้าปีเนคนอายุเก้าปีนี่กำลังแข็งแรงโรคภัยไม่มีเพราะมันอยู่ใน ในในช่วงที่กำลังจเจริญเติบโตมีกำลังวังชามากแต่พออยู่ในเชื่อช่วงที่จะเสื่อมนี่มันจะเริ่มถดถอยทุกอย่างมันจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปกำลังวังชาความสามารถที่จะหายใจเงนี่ก็ยังหายใจไม่ค่อยได้หายใจแต่ละครั้งนี่ต้องเหมือนกับต้องออกกำลังมาก พอปอดนี่มันไม่มีกำลังเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเดียวมันก็หายใจไม่ไหวมันก็หยุดหายใจพอหยุดหายใจลมไม่เข้ามันก็ทุกอย่างก็ต้องหยุดทำงานทำงานไม่ได้แล้วพอเมื่อมันไม่ทำงานมันก็จะเริ่มขอแยกทางกันน้ำมันก็จะแยกไปหาน้า ลมมันก็จะแยกไปหาลมไฟก็จะแยกไปหาไฟดินก็จะไปหาดินสมัยก่อนเวลาคนตายเข้าไปทิ้งไว้ในป่าช้าเนี่ยแล้วก็มันก็จะค่อยๆผุพังไปของมันเองเผยเดี๋ยวในที่สุดก็กลายเป็นดินไปหมดต่อมาเขาก็มีการพัฒนาเอาไปฝังในดิน ลองฝังดูสักสิบปีแล้วลองไปขุดหลุมขึ้นมาดูมันก็เหลือแต่ดินน้ำมันก็ซึมหายไปลมมันก็หายไปนี่คือธาตุสี่ที่ไม่มีวันเกิดไม่มีวันดับธาตุมันก็เป็นธาตุของมันแต่ถ้ามันมารวมกันมันก็จะเป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นวัตถุข้าวของอะไรต่างๆของใช้ไม่สอยของที่เราใช้กันอยู่ทุกอย่างเนี่ยมัน ทำมาจากธาตุเท่านั้นมีธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุลมธาตุไฟผสมอยู่เพียงแต่เราแยกแยกไม่ออกเราเห็นว่ามันเป็นของแข็งอะแต่ก่อนที่มันจะมาเป็นของแข็งได้นี่มันต้องเป็นของเหลวก่อนเพราะก่อนที่มันจะมาะเป็นลูกเป็นล่างได้นี่บางทีเขาก็ต้องใช้เอาไฟมาหลอมมันก่อนหลอมพอมันล้อมมันก็จะทําให้มีธาตุน้ำํำ พอมันเหลวมันก็เริ่มเป็นธาตุน้ำไปแล้วเดี๋ยวพอมันแข็งตัวพอไฟธาตุไฟออกไปมันก็แข็งตัวขึ้นมาก็เลยดูว่ามันเป็นธาตุดินแต่มันก็เป็นธาตุเป็นธาตุเป็นของที่เดี๋ยวมันถ้ามันยังต้องพังก็แสดงว่ามันมีส่วนผสมของธาตุอย่างอื่นถ้าเป็นธาตุดินล้วนๆมันจะไม่พังที่ดินที่มันอยู่ในในดินนี่มันเป็นดินอย่างนั้น ธาน้ำถ้ามันอยู่กับน้ำอย่างเดียวมันก็จะเป็นน้ำของไปมันจะไม่มันไม่มันจะไม่หายไปไหนมันจะไม่แยกตัวถ้าถ้าเป็นน้ำล้นล้วนนี่มันจะไม่แยกตัวถ้าเป็นดินล้นลวนมันจะไม่แยกตัวแต่ถ้ามันมีส่วนผสมของของดินบ้างของอากาศธาตุบ้างของน้ำบ้างของลมบ้างเดี๋ยวมันก็ต้องแยกตัวเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมเดี๋ยวมันก็ต้องพังไป สิ่งที่รวมตัวกันนี่เราเรียกว่าสังขารคำว่าสังขารก็คือสิ่งที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งหกหรือธาตุทั้งห้าหรือธาตุทั้งสี่เรียกว่าเป็นสังขารถ้าสังขารแล้วมันจะต้องไม่เที่ยงเมื่อมีการรวมตัวเดี๋ยวมันก็จะต้องมีการแยกตัวออกจากกันนีเกิดร่างกายของพวกเราก็เป็นสังขารอย่างหนึ่ง มีการรวมตัวของธาตุสี่ธาตุห้าธาตุหกเนี่ยธาตุสี่ที่เราเห็นชัดๆก็ดินน้ำลมไฟอ่าวกาศสธาตุนี่เรามองไม่เห็นเพราะมันเป็นความว่างแล้วธาตุรู้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปนี้ร่างเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันเห็นแต่ธาตุสี่เห็นแต่ดินน้ำลมไฟอาวกาศสธาตุจะเห็นก็ต่อเมื่อมีสิ่งอย่างอื่นมามาเปรียบเทียบให้เห็น เนเวลาเราของมาตั้งนี้เราก็จะเห็นว่ามีของรอบๆของนั่นก็เป็นความว่างนี่คือเรื่องของธรรมชาติที่สร้างโลกสร้างจั ก, กรวาลสร้างดวงดาวสร้างอะไรต่างๆขึ้นมานี่มาจากธาตุทั้งหกนี้เมื่อมาผสมรวมกันก็เป็นสังขารเป็นโลกเป็นดวงดาวดวงอะไรไป แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมหมดไปดวงดาวนี่ต่อไปอย่างดวงอาทิตย์นี่ต่อไปไฟมันก็จะต่องหมดตอนนี้มันก็เผาไปเหมือนเหมือนมันก้อนถ่านตอนนี้มันมีพลังงานมันก็เผาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเชื้อมันหมดมันก็ดวงอาทิตย์ก็จะดับพอดวงอาทิตย์ดับมันก็จะไม่มีความร้อนส่งมาทางที่โลกนี้พอโลกนี้ไม่มีธาตุไฟขึ้นมา เดี๋ยวธาตุต่างๆมันก็จะแยกทางกันไปที่ไหนพอไม่มีไฟมันที่นั่นก็จะหนาวจัดเห็นไหมไปดูโลกที่ไม่มีไปดูดวงจันทร์ไปดูดาวังคารเนี่ยมันไฟไปไม่ถึงทำให้ไม่มีความร้อนพอที่จะทำให้เกิดต้นไม้ใบหญ้าเกิดสัตว์เกิดอะไรขึ้นมาได้ นี่คือถ้าเดี๋ยวมันก็จะต้องเสื่อมแล้วเดี๋ยวมันก็มาเกิดใหม่มันแยกตัวกันแล้วเดี๋ยวมันก็มารวมตัวกันใหม่นมันเป็นอย่างนี้มาแต่ดั้งเดิมไม่มีว่าไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดนมันเป็นอย่างนี้ของมันส่วนร่างกายของพวกเรานี่มันมาจากเนี่ย ความอยากของพวกเรามาจากความอยากของาธาตรู้พอาธาตรู้มีความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นาธาตรู้นี้ก็จะไปหาที่ไหนที่มีตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะไปอาศัยสังขาร น, นั้นอาศัยร่างกายนั้นแล้วก็ทำให้มีการเกิดขึ้นมา พอมีการเกิดก็มีร่างกายร่างกายของชายของหญิงก็จะมารวมกันเพื่อมาสร้างร่างกายอันใหม่ให้ธาตุรู้ที่ไม่มีร่างกายจะได้เนมีร่างกายอันใหม่ก็เลยมีการเกิดกันแท้เกิดกันอยู่เรื่อยๆเพรา ะ, ะผู้ที่สร้างร่างกายก็มีความอยากที่จ ะ, ะสร้างร่างกาย ผู้ที่ไม่มีร่างกายก็อยากจะได้มีร่างกาย<ม>ก็เลยได้มามพอเวลาที่ร่างกายเก่าตายไปธาตุรู้ที่มีความอยากได้ร่างกายอันใหม่ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ธาตุรู้ที่มีร่างกายก็จ ะ, ะผสมกับธาตุรู้ของร่างกายอีกร่างกายหนึ่งของหญิงของชาย จะทําให้เกิดมีร่างกายอันใหม่พอท่านรู้ที่ไม่มีร่างกายมาพบกับร่างกายอันใหม่ก็มามาขออาศัยมาขอฝากตัวขอเป็นเป็นเจ้าของท่านเจ้าของร่างกายอันนี้อพอออกมาเราก็มีสมมติเรียกกันว่าเป็นลูกคนที่ให้กําเนิดก็เรียกว่าเป็นพ่อพอเท่านั้นเองก็เป็น เป็นการเป็นความสัมพันธ์ชั่วคราวเพราะเดี๋ยวพอออกมาแล้วเดี๋ยวพอวจเจริญเติบโตก็แยกทางกันไปไปอยู่กันคนละที่คนละทางแล้วเดี๋ยวถึงเวลามันก็มันก็เสื่อมสลายตายไปนี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราเป็นอย่างนี้พวกเราคือตัวตัวรู้ตัวรู้ตัวคิด ที่มีความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายยังอยากดูยังอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆด้วยร่างกายก็เลยต้องมีร่างกายต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเวลาไม่มีร่างกายก็ไปรอไปรอรับร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่มาก็ พาร่างกายอันใหม่นี้ไปดูไปฟังตามความอยากดูไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปจนกว่าร่างกายอันนี้จะไม่สามารถทำงานได้ตอนนั้นก็เป็นเวลาที่ไม่มีความสุขเพราะไม่สามารถทำตามความอยากต่างๆได้เวลาแก่เวลาเจ็บนี่ทำอะไรไม่ได้ ก็เลยมีแต่ความหงุดหงิดลำคาญใจมีความไม่สบายใจชีวิตของพวกเราจึงมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เวลาที่ร่างกายตอบสนองความอยากของเราก็เป็นเวลาที่เรามีความสุขกันเวลาที่ร่างกายไม่สามารถตอบสนองความอยากของเราได้ก็เป็นเวลาทุกข์กันชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ มีสุขตอนต้นแล้วเดี๋ยวก็มาทุกตอนปลายของชีวิตพอตายไปก็ไปเริ่มต้นใหม่ไปรับร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปหาความสุขกันใหม่จะหาได้มากได้น้อยก็อยู่ความสามารถอยู่กับโอกาสบางชาติเกิดมาโอกาสดีหาเงินได้ง่ายหาเงินได้เยอะก็มีความสุขมาก บางชาติเกิดมาหาเงินได้ยากมีเงินน้อยก็ลำบากก็ความสุขน้อยความทุกข์มากมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตถ้าตราบใดา ย, ยังมีความอยากอยู่ก็จะต้องมาเจอความสุขความทุกข์ในคาบของร่างกายเนี่ยแล้วบางทีก็ไม่ได้ร่างกายของมนุษย์ไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็ต้อง อยู่แบบสัตว์เดรัจฉานไป <Yeah. S 1> การที่ไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็พร้อมเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม <Yeah. S 1> ถ้าไปทำร้ายผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช <Yeah. S 1> ่นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต <Yeah. S 1> ไปฆ่าสัตว์เดรัจฉานมากินมาอะไรอย่างนี้กฎแห่งกรรมก็จะทำให้เราต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานให้เขามาฆ่าเราบ้าง yeah. การที่มีมนุษย์กับมีสัตว์เดรัจฉานก็เพราะว่ามนุษย์เป็นผู้ที่ไม่ทำบาปสัตว์เดรัจฉานนี้เป็นผู้ที่ทำบาปเขาอยู่ด้วยการทำบาปมนุษย์ถ้ามาอยู่ด้วยการทำบาปต่อไปก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานแต่มนุษย์ที่อยู่ด้วยการไม่ทำบาปก็จะไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานเวลาตายไปกลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่ถ้าอยู่ด้วยการทำบาปเวลาตายไปนี่ต้องไปเป็นเลราฉานก่อนไปใช้กรรมก่อนพอกรรมหมดแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทำกรรมทำบุญทำบาปใหม่แล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่อารมณ์บางทีบางโอกาสบางวาระมีโอกาสได้ทำบุญก็ทำบุญ เช่บางช่วงมีเงินเยอะเหลือกินเหลือใช้ก็เห็นคนอื่นเดือดร้อนนาบากก็อยากจะช่วยเหลือเขาช่วงนั้นก็ได้ทําบุญช่วงไหนเงินทองไม่พอใช้ก็อาจจะไปขโมยเงินของคนอื่นมาใช้อันนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปทําบาปพอมาเกิดแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์มีอะไรต่างๆมาทําให้เราต้องไปทําบุญบ้างทําบาบ้าง แล้วเวลาทำบุญทำบาปช่วงที่ตายไปช่วงที่รอไปรับร่างกายอันใหม่ก็เป็นช่วงที่จะไปรับผลบุญผลบาปใหม่ถ้ารับผลบาปก็จะอยู่ในช่วงก็จะไปเจอไปอยู่ในสภาพที่ไม่ดีถ้ามีร่างกายก็มีร่างกายของเดรัจฉานของสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่มีร่างกายก็ก็อยู่แบบมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อน ด้วยความหิวด้วยความกลัวด้วยความโกรธเกลียดเที่ mm hmm. ยแค้นอาฆาตพยาบาทเนี่ช่วงที่ไม่มีร่างกายก็เหมือนช่วงที่เรานอนหลับเวลาที่เรานอนหลับนี้ธารู้มันไม่ได้อยู่เฉยเฉยทารู้มันก็ไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้ทำไว้ในรูปแบบของความฝันเนี่ยเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันดีก็เป็นช่วงที่เราไปรับผลบุญ ท, ที่เราได้ทำไว้เวลาเราฝันร้ายก็เป็นช่วงที่เราไปรับผลบาปแต่เป็นช่วงสั้ น, นๆเพราะร่างกายนี้หลับไม่กี่ชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาใจก็กลับมาอยู่ที่ร่างกายมารับรู้มาทำอะไรผ่านทางร่างกายต่อแต่ช่วงที่นอนหลับนี้ไม่สามารถใช้ร่างกาย ทำอะไรได้ก็เลยต้องอาศัยบุญอาศัยบาปที่ทําไว้มาเป็นตัวพาให้ใจทําอะไรให้มีอะไรให้ใจมีอะไรทําถ้าบาปมันก็จะทําให้ใจผลิตฝันร้ายขึ้นมาถ้าบุญก็จะทําให้จิตผลิตฝันดีขึ้นมาแล้วถ้าเวลาร่างกายตายไปมันก็จะอยู่ในสภาพของฝันร้ายหรือฝันดีไปยาวจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ พอได้ร่างกายใหม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่เหมือนตื่นขึ้นมาใหม่ช่วงที่เราตายไปนะั่นก็เหมือนช่วงที่เรานอนหลับแล้วถ้าเราก็จะอยู่ในสภาพของความฝันถ้าเราทำบาปไว ม, มากเราก็จะฝันแต่ฝันร้ายมีแต่เรื่องหวาดเสียวหวาดกลัวมีแต่ทุกข์มีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่ความหิวโหยมีแต่ความกลัวมีแต่ความ วิตกกังวลมีแต่ความอาฆาตพยาบาทต่างๆฝันในรูปแบบอย่างนั้นแต่ถ้าเราได้ทำบุญเราก็จะฝันดีฝันแต่มีแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขมีความสบายใจอันนี้ก็เป็นผลของบุญนี่คือสภาพของใจคือธาตุรู้ผู้รู้ผู้คิด เวลาที่ไม่มีร่างกายมันก็จะอยู่ในสภาพของความฝันไปฝันดีฝันร้ายก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ทำไว้ก็จะฝันไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็จะมาใช้ร่างกายอันใหม่ไปหาความสุขต่อไปทำตามความอยากต่อเวล า, า, าทำตามความอยากบางทีก็ต้องทำบาปถึงจะได้ บางทีก็ไม่ต้องทำบาปบางทีทำอะไรแล้วได้อะไรมามากเกินกว่าที่จะใช้เองได้ก็เอาไปแจกคนอื่นไปแบ่งคนอื่นก็เป็นถ้าได้แจกคนอื่นมีแบ่งปันมีให้ความสุขกับคนอื่นก็เป็นช่วงที่ทำบุญเวลาที่ขาดแคลนไม่พอใช้ไปขโมยของคนอื่นมาก็เป็นช่วงที่เราไปทำบาป เมื่อมีการทำบุญทำบาปมันก็จะสะสมเหตุการณ์ที่ดีกับไม่ดีไว้ในใจพอเวลาไม่เวลาไม่มีร่างกายมันก็เหตุการณ์ที่ดีไม่ดีมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้ใจรับรู้ให้ใจได้ได้สัมผัสช่วงที่เวลาคนเราตายไปก็เหมือนกับช่วงที่เรานอนหลับเพียงแต่ว่าหลับยาวหลับหลายปีเลย จนกว่าจะเกิดใหม่จนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ช่วงนั้นก็จะฝันดีหรือฝันไม่ดีก็อยู่ที่ว่าเราทำบุญมากกว่าทำบาปหรือทำบาปมากกว่าทำบุญถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปมันก็จะฝันดีก่อนถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญมันก็จะฝันร้ายฝันร้ายก็เป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้าง อสุรกายเปรตนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกก็ตัวรู้ของเราเนี่ยพวกเรานี่แหละตัวรู้ตัวรู้ตัวคิดนี่แหละที่อยู่ในสภาพของเปรตอยู่ในสภาพของอสุรกายอยู่ในสภาพของนรกมันไม่ได้เป็นสถานที่มันไม่ได้เป็นนรกมันไม่ได้เป็นสถานที่มันเป็นสภาพจิตใจที่เต็มด้วยความโกรธอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้น มีความรุ่มร้อนใจเผาใจด้วยความทุกข์อันนี้คือเรื่องของธาตุรู้คือผู้รู้ผู้คิดจนกว่าธาตุรู้นี้จะได้มาพบกับธาตุรู้ที่ฉลาดคือพระพุทธเจ้าผู้รู้ว่าธาตุรู้นี้เป็นอะไรธาตุสีดินน้ำลมไฟอากาศสธาติเป็นอะไร มีส่วนอะไรกับตัวธาตุรู้แล้วรู้ว่าตัวธาตุรู้ทำไมยังต้องวุ่นวายอยู่ต้องมีร่างกายอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องไปรับผลบุญผลบาป <c oughs> ก็จะมาสอนพวกธาตุรู้อย่างพวกเราให้รู้ว่าถ้าพวกเราอยากจะอยู่ในสภาพที่ดีกว่าที่เราอยู่กันตอนนี้เราก็อย่ามาทำบาปกัน <c oughs> แล้วก็ทําแต่บุญถ้าเรามีโอกาสทําบุญก็ทําไปไม่มีก็ไม่ต้องทําก็ได้แต่อย่าทำบาปแล้วถ้าไม่ถ้าอยากจะให้มันเรื่องราวต่างๆที่เราเป็นอยู่กันนี้ยุติลงให้เราหยุดการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันเราก็ต้องมาหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจของเราอยู่ในธาตุรู้ความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่น ต้องหยุดมันก็มีวิธีที่จะทำให้มันหยุดหยุดโดยการถือศีลแปดขึ้นไปถ้าเราถือศีลแปดนี้เราก็จะเริ่มหยุดเริ่มหยุดดูเริ่มหยุดฟังหยุดความอยากดูอยากฟังแต่ศีลนี้มันก็หยุดเพียงแต่กันไว้เท่านั้นแต่มันยังหยุดความอยากไม่ได้มันเพียงแต่กันไม่ให้ไปดูไปฟังแต่ความอยากดูอยากฟังยังมีอยู่ จะให้ความอยากดูอยากฟังนี้หายไปนี้ต้องทําใจให้นิ่งทําใจให้สงบทำใ ห, ให้ใจหยุดคิดให้ได้ให้ใจไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสความอยากจะดูรูปฟังเสียงมันก็จะไม่มีอันขั้นที่สองขั้นแรกก็ให้รักษาศีลเพื่อที่จะ คล้ายๆเป็นรั้วกั้นไม่ให้มันไปดูไปฟังถึงแม้ยังจะมีความอยากอ ย, กอยู่ก็ไม่ให้ดูอย่างพวกที่มาถือศีลแปด น, นี่ยังมีความอยากดูอยู่เพียงแต่ว่ามีศีลมาห้ามว่าวันนี้เราอย่าดูนะเราอย่าฟังวันนี้คืนนี้เราอย่านอนกับแฟนนะถ้าถือศีลแปดก็จะทำไม่ได้แต่ความอยากยังมีอยู่ยังอยากดูอยากฟังยังอยากนอนกับแฟนอยู่ ถ้าอยากจะให้ความอยากนี้หยุดไปก็มาฝึกนั่งสมาธิมาเจริญสติใช้สติสตินี้จะเป็นตัวที่จะหยุดความคิดเช่นเราคิดถึงแฟนก็เปลี่ยนการคิดถึงแฟนให้คิดถึงพระพุทธเจ้าแทนคิดถึงพุทโธพุทโธพุทโธไปพอเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธเราก็จะลืมแฟนไปพอเราลืมแฟนไปเราก็ความอยากที่จะไปนอนกับแฟนก็จะหายไป ทุกครั้งที่คิดถึงแฟนคิดทุกครั้งที่อยากจะนอนกับแฟนก็ให้คิดถึงพุทธโธพุทธโธไปเนี่ยทำไมาพวกที่มาถือศีลแปจึงต้องมาพุทธโธกันมาสวดมนต์กันก็เพื่อจะได้หยุดความคิดต่างๆที่จะไปคิดถึงลูกเสียงกลิ่นรถคิดถึงคนนั่นคนนี้พอคิดแล้วมันก็อดที่จะอยากไม่ได้พอคิดถึงละครเนมะคืนนี้มีละครอะไรก็เริ่มคิดอยากนะเออมา พอมาถือศีลแปดโววันนี้เราดูไม่ได้เนี่ยะละครทีนี้ก็จะดูซิว่าศีลแปดจะสู้มันไหวหรือเปล่าบางทีก็สู้ไม่ไหวก็ขอถอนจากศีลแปดมาเป็นศีลห้าแต่ถ้ามีใจเด็ดเดียว<ม>เห็นว่าความอยากนี้มันเป็นตัวที่จะทำให้เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยถ้าเราไม่อยากจะมาเกิดแก่เจ็บตายก็สู้กับมัน สู้ด้วยการไปสวดมนต์สู้ด้วยการไปพุโทโธพุโทโธเวลาจะไปเปิดทีวีดูก็ไปนั่งสวดมนต์แทนสวดมนต์สวดมนต์หรือไปอยู่วัดอยู่ที่ไม่มีทีวีให้เราเปิดแต่สมัยนี้ยาวทีวีติดมาโนะมือถือนี่มันมีทีวีติดมาด้วย <c oughs> ถ้ามาวัดควรจะปิดมือถือหรืออย่าความจริงควรจะฝากไว้ที่วัดดีกว่าอย่าพกติดตัว ติดตวัวเดี๋ยวพอเกิดความอยากขึ้นมามันห้ามไม่อยู่ที่เราต้องการมาหยุดความอยากเพราะเราต้องการไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะเกิดมาแต่ละครั้งมันเหนื่อยกว่าจะหากินหาอยู่ได้นี่ก็เหนื่อยเรายังต้องมาเจอภัยรอบด้านภัยธรรมชาติภัยโลกภัยจากโลกภัยต่างๆภัยจากมนุษย์ภัยจากอะไร มีแต่ภัยมีแต่เรื่องที่จะต้องให้เราวุ่นวายใจอยู่เรื่อยความสุขที่ได้นี้นิดเดียวเดียวเดียวแต่ความทุกข์นี้มีอยู่ห้อมล้อมอยู่เราอยู่ตลอดเวลากังวลเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้วิตกหวาดกลัวร้อยแปดพันพันประการถ้าเบื่อการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องสู้กับความอยากให้ได้ฝืนความอยาก ด้วยการฝึกสมาธิฝึกสติหัดพุทโธไปเรื่อยๆหัดสวดมนต์ไปเรื่อยๆเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็หยุดมันด้วยพุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเราก็จะสามารถทําลายความอยากให้หมดไปได้ถ้าเรารู้ว่าการทําลายความอยากนี้เพราะว่ามันจะพาให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆมันจะพาให้เราต้องมาทุกข์อยู่เรื่อยๆอันนี้คือปัญญา ถ้าหยุดเฉยๆโดยที่ไม่รู้ว่าหยุดเพื่ออะไรมันก็อาจจะบางทีก็หยุดได้บางทีก็หยุดไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่าที่เราต้องหยุดความอยากเพราะเราไม่ต้องการจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นที่เรียกว่ากามาตัญหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวย ความอยากไม่มีงอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากสามชนิดนี้ที่เราจะต้องฝืนให้ได้ถ้าเราฝืนได้แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายถ้ารู้ก็จะอยู่ตามลําพังของมันอยู่กับความสงบซึ่งเป็นความสุขมากกว่าการไปอยู่กับคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ พออยู่กับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เขาเปลี่ยนได้เขาหมดได้เวลาเขาเปลี่ยนเวลาเ้าหายไปจากเราไปเราก็เสียใจแต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่ต้องมีความเสียใจกับใครถ้ามีความสงบแล้วอยู่คนเดียวดีกว่ามีความสุขมากกว่าความสุขนี่ได้จากความสงบที่เกิดจากการหยุดความอยากที่เกิดจากการใช้พุทโธใช้สติที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้ เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวพอเขาเปลี่ยนไปหรือเวลาเขาจากไปความสุขนั้นก็หายไปหรือเวลาเราแก่เราเจ็บเราไม่สามารถที่จะไปหาความสุขจากเขาได้เราก็จะมีแต่ความทุกข์ นานๆเราจะได้มาเจอคนที่ฉลาดมันเจอธาตุรู้ที่ฉลาดคือพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งที่รู้ปัญหาของพวกเราว่าอยู่ที่ตรงไหนและจะแก้อย่างไรปัญหาของพวกเราก็คือการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิน้นแล้วก็รู้ว่าทำไมเรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากต่างๆแล้วก็รู้วิธีที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ โดยการให้มาถือศีลให้มาเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็ให้ปัญญาใช้ปัญญาเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปทำตามความอยากถ้าไม่อยากจะมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ไม่ให้ทาบาปเพราะทาบาปก็จะทำให้เราต้องไปรับผลบาปถ้าทาบุญถ้ามีโอกาสทาบุญก็ทำไปถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่อย่าทำบาป แล้วก็ละความอยากให้หมดไปแล้วใจก็จะมีความสงบมีความสุขในตัวไม่ต้องไปหาร่างกายมาให้ความสุขไม่ต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขอยู่ตามลำพังอยู่ในสภาพที่ไม่ต้องมีอะไรถ้ารู้หรือใจของพระพุทธเจ้าใจของป้าหลานตอนนี้ก็อยู่ เพาะธาตุรู้ไม่มีวันตายไม่ว่าจะเป็นธาตุรู้ของใครก็ตา่างต่างกันตรงที่ธาตุรู้ของพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องไปมีธาตุสีไม่ต้องมีร่างกายมาให้ความสุขแต่ธาตุรู้ของพวกเรานี้ยังต้องมีร่างกายอยู่เราเลยต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าเรามาหยุดความอยากได้ถ้าเรามารักษาศีลแปดได้มานั่งสมาธิทาใจให้สงบได้ มีปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะจะไปเจอแต่ความทุกข์ถ้ามีทั้งสามนี้แล้วใจก็จะสามารถเลิกความอยากต่างๆได้เลิกการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้แต่ไม่ได้หายไปไหนก็อยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายเท่านั้นก็เหมือนกับตอนที่เราตายไปแล้วก็อยู่แบบไม่มีร่างกาย แต่ว่าตอนนั้นเรายังต้องไปรับผลบุญผลบาปอยู่ยังฝันฝันดีฝันร้ายอยู่แต่ถ้าเป็นแบบของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่จะไม่ต้องฝันนอนหลับสบายนอนหลับแบบไม่ฝันดีกว่านอนหลับสนิทตื่นขึ้นมามีกำลังวังชาสดชื่นกว่าเวลานอนหลับแล้วฝันนี่เวลาตื่นขึ้ น, นมาบางทีมันเหนื่อยเหนื่อยจากความฝัน นี่ก็เกิดเรื่องของธาตุทั้งหนี้มีธาตุดินน้ํำลมไฟอากาศสธาตุและธาตุรู้ที่มามามาเกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องเพราะธาตุรู้ไม่รู้ว่าการมาเกี่ยวข้องกับธาตุทั้งหนี้นําไปสู่ความทุกข์ต้องรอให้ธาตุรู้ที่ฉลาดมาสอนบอกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับธาตุทั้งหกธาตุทั้งห้าให้อยู่ตามลําพัง อยู่แบบไม่มีความอยากแล้วจะมีความสุขมากกว่าจะมีความสุขจากการไปอยู่กับธาตุต่างๆนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งตอนนี้เราถือว่าเราโชคดีมากที่ได้มาพบกับผู้ฉลาดผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ก็ขอให้เรามีศรัทธาความเชื่อแล้วพยายามปฏิบัติตามให้ได้แล้วเราจะได้รับประโยชน์โดยถ่ายเดียวจะได้รับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรจะได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ให้มันหมดไปจากใจได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปะเลปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปการปฏิอ an ิชิตังปฏทิต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ so พราสุยธาสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินสศตุมาเตภวตวันตรบายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีริสานิจังวุฒาปะจายโนจตตารุธรรมาวทานเตอายุวันโอสุขัง ฮัลโัลทาวันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่อ่าสำหรับยอดรับฟังวันนี้นะครับจาก f a c บุ o o สามร้อยแปดสิบสองท่านนะครับยูทูบหนึ่งร้อยยี่สิบแปดวิทยุยี่สิบสามผู้รับกฟังบนเขาห้าสิบห้ารวมทั้งสิ้นห้าร้อยแปดสิบแปดท่านครับหาร้อแปดสิบ คำถามจากทางไลน์นะคะจากคุณนางค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เรียนถามว่าใจของเรามีแต่ทาบุญถ้าอย่างนี้เป็นถือเป็นความอยากไม่พอหรื อ, รอเปล่าคะกราบขอบพระคุณค่ะการทาบุญนี่ก็ทำแบบ<ม>อยากก็ได้แบบไม่อยากก็ได้ทำแบบไม่อยากก็คือมีเหตุให้ทำก็ทำถ้าไม่มีเหตุก็ไม่ทบ แต่ถ้าทำแบบอยากมันก็ยังเป็นกิเลสได้อยากจะทําบุญพอไม่มีเงินก็ไปขโมยเงินมาทํานี้ก็กลายเป็นบาปได้เห็นทําบุญต้องทําตามเหตุตามผลมีเหตุการณ์ให้เราทําแล้วเรามีเงินทำํำเราก็ทําไปไม่มีเงินทำํำเราก็ไม่ทําเวลาไม่ได้ทําก็ไม่รู้สึกไม่สบายใจแต่คนที่อยากทําบุญนี่พอเวลาอยากทําบุญแล้วไม่ได้ทําบุญก็จะเกิดความไม่สบายใจได้ อย่างนี้ก็เป็นทาบุญแบบกิเลสอยัางทาบุญไม่อย่าทําแบบกิเลสทําตามเหตุตามผลตามกำลังถ้ามีเหตุการณ์เช่นชาวบ้านเพื่อนบ้านไฟไหมอย่างี้เราจะช่วยเขามีข้าวสารให้เขามีอะไรให้เขาก็ให้เขาไปไม่มีให้ก็ก็ไม่ไม่ก็ไม่ต้องให้เพราะถ้าเราไม่มีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องให้แต่เราจะไม่ไม่ไม่ทุกข์ใจกับการที่ไม่ได้ทําบุญ ถ้าอยากทําบุญแล้วไม่ได้ทํานี้จะไม่สบายใจอย่างนี้ก็เป็นกิเลสขึ้นมาแลวความไม่สบายใจ น, นี้เกิดจากกิเลสไม่ได้เกิดจากอะไรงนั้นการทําอะไรก็ต้องทําด้วยเหตุด้วยผลอย่าทาด้วยด้วยความอยากคําถามจะคุณเติมค่ะยายฝากถามนะคะยายเครียดมากเลยที่ลูกเสียชีวิตไปนะคะยายกลัวลูกชายตกอบายไปในที่ที่ไม่ดี แต่ลูกชายก็เข้าวัดทำบุญมาตลอดนะคะยายก็เลยอยากทราบว่าจะทำบุญแบบไหนสงให้เขาได้มากที่สุดถ้ายายไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมและอุทิศบุญนั้นให้เขาเขาจะได้รับมากไหมคะไม่ได้หรอกเพราะว่าการไปปฏิบัติธรรมยังไม่ได้บุญนะยังไม่ได้ผลเพียงแต่การไปฝึกเท่านั้นเองจะได้ผลในจิตต้องเป็นสมาธิจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิ เขาจึงไม่นิยมบวอุทิบุญด้วยการไปปฏิบัติเพราะทั้งปีทั้งชาติอาจจะไม่ได้ผลไอคนที่จะรอรับส่วนบุญของเราก็ตายไป <c oughs> ก็หนีไปก่อนลนะงั้นถ้าอยากจะส่งไปรวดเร็วทันใจแบบ EMS ก็ไปใส่บาทนะใส่บาทถวายทานบริจาคเงินให้โรงพยาบาลหรืออะไรนี่ง่ายๆแต่ไม่ยอมทำกันเสียดายเงินอยากจะทำบุญแบบไม่ต้องเสียเงิน มันไม่ได้หรอกเงินที่ไม่ต้องบุญที่แบบไม่ต้องเสียเงินมันยากกว่าจะได้นี่มันไม่ใช่ง่ายๆนั่งสมาธิจิตเคยรวมเคยสงบหรือยังไม่มีหรอกงั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ทาบุญด้วยการบริจาคเงินทองเข้าของสิ่งของใครรับก็ได้ให้พักก็ได้ให้แมวให้หมาก็ได้ขอให้เราเสียสละแบ่งปันเงินทองที่เรามีอยู่ให้กับคนอื่นไป แล้วเราก็จะเกิดบุญขึ้นมาในใจเราเกิดความสุขแล้วเราก็อุทิศได้เลยคำถามจากคุณปอค่ะพระอาจารย์ครับถ้าผมทำผิดสังฆาธิเศษแล้วผมบอกพระอาจารย์ผ่านเฟสนี้จะเป็นการไม่ปกปิดแล้วไหมครับคือผมบวชเป็นพระใหม่ครับบวชอายุยี่สิบปีค่ะอ๋อต้องไปบอกคนที่เราอยู่ด้วยเหตุเราเกี่ยวข้องด้วยไปบอกเทวดาผีสางไปบอกลิงบอกหมายางนีไม่ได้หรอก เราอยู่ที่วัดไหนเราก็ต้องไปแจ้งกับเจ้าอาวาดวันนั้นว่าเราได้ทําผิดกฎระเบียบแล้วเขาจะได้จัดการกับเราได้มาบอกกับเราเนี่ก็ยังถือว่าปกปิดเขาอยู่คนที่เราต้องบอกก็คือคนที่เรารับเขารับผิดชอบเราเราเราอยู่ที่ไหนเป็นพระนี่จะต้องมีครูบาอาจารย์รับผิดชอบเราเราทําผิดเราก็ต้องรายงานไปกับไปแจ้งให้คนที่เขารับดูแลเราให้รั บ, ร, บรู้ ถ้าถ้าอยู่กับวัดไหนก็ต้องไปแจ้งเจ้าอาวาสวัดนั้นว่าผมได้ทาผิดกฎแล้วผมได้ละเมิดสินข้อนี้แล้วจะให้ผมทำอย่างไรเขาจะตั้งกรรมการขึ้นมาวิจัย ว, วิจณาว่าทำผิดจริงหรือไม่ถ้าผิดแล้วตามตามกฎจะต้องลงโทษอย่างไรก็ลงโทษกันไปไม่ใช่ไปบอกคนที่อื่นแล้วมาบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ปกปิดแล้ว ก็ยังปกปิดคนที่เราต้องบอกอยู่ไอคนที่ไม่ต้องไปบอกมันไปบอกก็ทำไมคำถามจากคุณโนสค่ะจะปฏิบัติยังไงให้ได้ปฏิสัมพิทายานครับไม่รู้เหมือนกันนะปฏิสัมพิทายานเป็นอะไรลราลองไปถาม Google ดูดีกว่าคำถามจากคุณอรุโนไทยค่ะ กราบนมัสการครับพระอาจารย์คือกับผมมีข้อสงสัยอยู่ในใจมาหลายปีมากแต่หาคําตอบไม่เคยเจอคือคนเราหน้าที่กับความต้องการของจิตใจมันมันมกจะไม่ไปในทางเดียวกันจนบางทีผมเลือกหน้าที่เพื่อที่จะทําให้ครอบครัวผมสุขสบายแต่ในบางทีมันฝืนกับความรู้สึกของตัวผมเองจนบางครั้งก็อยากจะทําตามความรู้สึกบ้าง อยากมีเส้นทางเดินเป็นของตัวเองบ้างแต่ผมก็ทำไม่ได้เพราะผมรักคนในครอบครัวผมมากกว่าตัวผมเองโดยเฉพาะคุณแม่ของผมแล้วจะทำยังไงได้บ้างครับเพื่อที่จะทำทั้งหน้าที่และความต้องการให้มันไม่ขัดแย้งกันได้มันก็มีเวลาที่เราแบ่งทำได้ไม่ใช่หรอทำหน้าที่ให้กับแม่เขาทำไปเวลาที่เราว่างจากหน้าที่นี้เราก็ไปทาหน้าที่ของเราได้ไม่ใช่ต้องทาหน้าที่อย่างนี้ไปทุกวันทุกเวลา เวลาเราไปเที่ยวนี่เราทาหน้าที่ให้กับแม่หรือเปล่าเวลาเราเล่นเกมนี้เราทำหน้าที่ให้กับแม่หรือเปล่ามันมีเวลาจะทำต้องเยอะแยะไป <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นก็แบ่งเวลาได้ <Yeah. S 3> คำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะถ้าเราต้องการทำสิ่งดีๆให้คนที่เรารัก แต่เราอยู่ไกลกันเราจะทำอะไรได้บ้างในทางธรรมเพราะอยากทำสิ่งดีๆให้เขาเราจะทำอะไรได้บ้างในส่วนบุญก็โอนเงินให้เขาเลยเย็นนี้ง่ายจะตายไปกดมือถือใส่ตัวเลขเข้าไปใส่บรรัญชีเข้าไปกดส่งปั๊บก็ถึงแล้วเขาก็ดีใจเขาก็มีความสุขทำไมนี่อยู่ไกลขนาดไหนก็ทำทาบุญให้กลกันได้อย่างง่ายดายสะดวกรวดเร็ว คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถ้าเราสวดมนต์ภาวนาตั้งจิตขอพรพระให้คนที่อยู่ไกลมีความสุขและปลอดภยัยเจอแต่สิ่งดีๆมันจะมีทางเป็นไปได้ไหมคะเป็นไม่ได้หรอกการขอนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลผลอยู่ที่การปฏิบัติของแต่ละคนถ้าทำดีผลดีก็เกิดทำไม่ดีผลไม่ดีก็เกิดแต่ให้เอาพระพุทธเจ้ามาอวยพรสวดให้มันก็ไม่เกิด พระพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้ไปขอกันพระพุทธเจ้าสอนให้กระทากันอยากมีความสุขความเจริญก็ทำดีอย่าทำบาปแล้วมันก็จะเกิดไม่ต้องมีใครมาสวดให้เราไม่ต้องมีใครมาขอให้เราตัวเราเองขอก็ขอไม่ได้ถ้าขอได้ก็สบายเป็นเศรษฐีกันทุกคนอะไนี้ขอให้ร่าให้รวยมันเป็นไปไม่ได้คำถามจากคุณพีทิพย์ค่ะ การสงเคาหสัตว์ที่ใกล้ตายมารักษาจนหายดีแล้วเลี้ยงไว้กรณีเราป่วยหนะักสัตว์ที่สงเคสัตว์ไว้มีส่วนมาช่วยแทนเราหรือไม่ครับก็ไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะผลของบุญนี่มันบางทีมันช้าบ้างเร็วบ้างอาจจะเป็นชาติหน้าก็ได้ถ้าชาตินี้ยังไม่ทันก็ชาติหน้ า, า จ, จะอาจจะเราเราเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะมีใครมาช่วยหรือดูแลเราก็ได้ หรืออาจจะเป็นชาตินี้ก็ได้ไม่นะแล้วแต่แต่อย่าไปหวังก็แล้วกันหวังแล้วเดี๋ยวเกิดมันไม่เกิดจะเสียใจนจากคุณปายค่ะหากเราทําบุญเช่นทําโรงทานหรือร่วมทําบุญสร้างโรงพยาบาลเราสามารถบอกบุญให้ครูบาอาจารย์อนุมัตนาได้ไหมครับจะเป็นการสมควรไหมผมกลัวจะเป็นการนํามะพร้าวห้าไปขายสวนหรือเปล่าครับ อ, อ๋อไม่ต้องไปยุ่งกับใครหรอกเราทําบุญของเราแล้วก็ทําไปไม่ต้องไปขอให้คนนั้นเขาอนุโมทนาการอนุโมทนานี้เป็นเรื่องเวลาที่มันเขารับรู้ขึ้นมาแล้วเขาก็แสดงความยินดีกับการทําบุญของเราไม่ใช่ไปไประกาศชาวบ้านบอกวันนี้ผมไปทําบุญที่วัดขอให้ชาวบ้านช่วยอนุโมทนากับผมด้วยไม่ใช่นี่ไม่ใช่เรื่องของการอนุโมทนาการอนุโมทนาเกิดขึ้นจากการที่เราสมมุติว่าอ่า คนคนหนึ่งเขาเขาเอาเงินไปทําบุญกับอีกคนหนึ่งเขาไม่มาทําบุญกับเราพอเรารู้เนี่ยเราต้องรีบอนุมโมทนาอย่าไปโกรธเขาส่วนใหญ่มันจะไปโกรธเขาทำไมไม่มาทํากับเราไปทํากับเขาเนี่วิธีที่เขาอนุมโมทนาเพื่อจะได้แก้ปัญหาไม่ความรู้สึกไม่ดีที่เกิดจากเราเกิดจากความอิจฉาริษยาของเราเวลาคนอื่นเขา <c oughs> เขาเขาได้ดีบได้ดีเราไม่ได้ดีบได้ดีเราก็อิจฉาเขา เราคเราแก้ด้วยการอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับการได้ดีบได้ดีของเขาเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าพอทําบุญไปกลับบ้านมาก็บอกคนนู้นบอกคนนี้แล้วก็ให้เขา อ, อนุโมทนาก็ไม่รู้อีหน่อยไหนกับเราอีหน่อยเรวก็ไม่รู้ว่าอนุโมทนาแล้วเขาจะได้อะไรขึ้นมาใช่ไาะฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นการไปเป่าประกาศบอกคนนั้นคนนี้แต่เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น แล้วจะเกิดความรู้สึกไม่ดีเราก็จะแก้ด้วยการอนุโมทนาเช่นแม่ให้เงินพี่สาวแทนที่จะให้เราอย่างเงี้ยเราก็อนุโมทนาไปกับแม่ว่าออแม่ได้ทำบุญกับพี่สาวอย่าไปโกรธแม่เพราะแม่ไม่ให้เงินเราเข้าใจไหมคำถามจากคุณโชคค่ะกาบเรียนพระอาจารย์ครับเวลาพุโทโธต้องกำหนดจังหวะตามลมหายใจเข้าออกไหมครับ แล้วแต่เราไงถ้าเราชอบก็ใช้พุโทโธกับลมถ้าเราไม่ชอบใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องมีลมก็ได้แล้วแต่บางคนชอบเอาสองอย่างมาผูกกันมันใจมันจะได้มั่นคงบางคนคิดว่ามันยุ่งยากก็เลยไม่เอาบางคนก็เอาลมอย่างเดียวบางคนก็เอาพุโทโธอย่างเดียวแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนคำถามจะคุณรักที่สุดค่ะ เวลาเราใส่บาตรตอนเช้ากับพระสงฆ์ที่เดินบินทบาทเราใส่ปัจจัยเพื่อให้พระสงฆ์ไปใช้ตามปิตของสงฆ์ได้ไหมคะบาทไหมคะใช่กับท่านไม่ได้ใส่ไปในบาทไม่ได้ควรจะฝากกับลูกศิษย์ที่เดินม า, าฝากช่วยเก็บเงินนี้ให้หลวงพี่ด้วยหลวงพี่ต้องการซื้ออะไรก็ช่วยไปซื้อให้หลวงพี่แต่ให้กับมือไม่ได้พลารับกับมือไม่ได้ค่ะคําคถามเอ่อ คือดิฉันมีโรคประจําตัวเวลาเจ็บปวดดิฉันจะกําหนดรู้และบอกตัวเองว่าตายเป็นตายและตลอดเวลาจะกําหนดรู้ตัวตลอดถ้าจิตหลุดก็จะได้รู้และถ้าหมอให้ผ่าตัดดิฉันไม่อยากผ่าตัดคือเอาธรรมะรักษาเอาค่ะแบบนี้ดิฉันทําถูกไหมหรือว่าเป็นการทรมานตัวเองเกินไปคะแก็แล้วแต่แว่าเราทรมานหรือเปล่านะบางคนรักษาแล้วกลับทรมานมากกว่าไม่รักษา ถ้าทำใจได้ไม่รักษามันก็ไม่ทรมานถ้ารักษาถึงแม้จะทำใจได้ก็ต้องทรมานทางร่างกายอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราเราชอบแบบไหนเราชอบแบบไม่รักษาเราก็ไม่รักษาไปเราชอบแบบรักษาก็รักษาไปคำถามข้อสองค่ะดิฉันไม่กลัวตายแต่ทำไมกลัวผีคะ ทั้งๆที่บอกตัวเองตลอดว่าตายไปเราก็จะเป็นผีเช่นกันแต่จิตไม่ฟังขอพระอาจารย์แนะนำค่ะก็ยังไม่ไม่ไม่ไม่ไม่กลัวตายจริงสิถ้าถ้ากลัวตายจริงมันต้องไปอยู่ในป่าช้าได้เพราะต่อไปก็ต้องเวลาตายก็ต้องไปอยู่ในป่าช้าอยู่ดีนะนี่มันยังหลอกตัวเองอยู่ว่าไม่กลัวตายถ้าคนไม่กลัวตายจริงๆเราจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้น ถามจากคุณรัชะดาพรค่ะถือศีลอุโบสถที่บ้านเราต้องเตรียมไห้ขันห้าใหม่คะพอครบหนึ่งวันหนึ่งคืนต้องบอกกล่าวลาสิกขาต้องทําทุกศีนใหม่เจ้าคะหรือแค่บอกลกล่าวกับไหวก็พอกับสาธุเจ้าค่ะไม่ต้องกราบไม่ต้องไหวไม่ต้องอะไรทั้งนั้นละเพียงแต่บอกตัวเราว่าวันนี้จะถือศีนก็จบแล้วจะถือถึงวันไหนก็บอกไปมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ตัวเรา นนั้นเป็นพิธีกรรมมาทำให้อาจจะทําให้เรามีความอ่าแนว่วแน่มากขึ้นก็ทําไปถ้าคิดว่าต้องกราบพระก่อนต้องบอกพระก่อนว่าวันนี้จะถือศีนก็บอกไปพระเขาไม่รู้เรื่องกับเราหรอกว่าเราจะรักษาศีนไหมเขาไม่มาเฝ้าดูเราหรอกกนที่จะรู้คนที่จะดูเราก็คือเรานี่แหละเฉนั้นขอให้เรามีความมั่นคงมั่นใจในการรักษาศีนของเราแล้วก็ คอยเฝ้าคอยสังเกตดูว่าเราเราเมิดศีลนิือไม่ก็พอคำถามจากคุณมาค่ะกาบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรควรทำหรือไม่และควรทำอย่างไรเจ้าคะก็ต้องทำต่อหน้าเขาสิเช่นเราไปด่าใครอย่างเงี้ยล้วก็ไปขอเขามาเขาบอกอผมขอโทษเมื่อกี้ผมปากไม่ดีขอให้อภัยผมหน่อยถ้าเขาให้อภัยก็จบถ้าเขาไม่ให้อภัยก็ต้องให้เ้าด่าก่อน ตอนเขาด่าจะเข้าเขาเหนื่อยแล้วเขาก็จะหยุดด่าเองแต่จะไปขอเข้ามารับหลังเขาไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องหรือไปขอเข้ามาเจ้ากับมนายเวทที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครไอนั่งส่วนมนตเสร็จแล้วก็ขอเข้ามากับเจ้ากรรมนายเวทนี่มันไม่ใช่ขอเข้ามามันเป็นการเล่นลิเกเขาเนี่ยไม่มีตัวเจ้ากรรมนายเวทมาให้เราขอเข้ามาแล้วเราจะไปขอเข้ามาเขาได้อย่างไร ถ้าเรามีเรื่องกับใครเนี่ยแล้วเราอยากจะให้ไม่มีเวมีกรรมกันก็ไปขอเขมาเขาแล้วถ้าเขาบอกว่าจะจะให้อภัยได้ก็ต่อเมื่อคุณจ่ายมาคุณไปชนรถผมแล้วมาขอเข้ามาเฉยๆไม่ได้หรอกใช่ไหมคุณไปชนรถชาวรักภูมก็ต้องขอเข้ามาขอโทษแล้วก็ผมจะซ่อมรถให้หรือถ้าให้ดีก็ซื้อรถใหม่ให้เลยถ้าอย่างนี้รับรองได้ว่าเจ้ากรรมในเวไม่มีแน่ๆะ ถามจะคุณพิมพค่ะกับเรียนถามเจ้าค่ะปฏิบัติศีลห้าและตั้งจิตอธิษฐานขอเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายศีลห้าถึงลิพานได้ไหมคะสายคารวาดค่ะอ๋อไม่ได้หรอกต้องศีลแปดต้องนั่งสมาธิต้องมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมมีการเห็นว่าเกิดแล้วก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาคำ ถ, ถามเจ้าคุณวิจัยค่ะ กราบหลวงพ่อเจ้าคุณอาจารย์อยากทราบอานิสงส์ของการทําโรงทานเจ้าค่ะก็เหมือนกับใส่บาตรเนี่ยเป็นการเบริจากทรัพย์เรามีทรัพย์แล้วก็ไปเปิดโรงทานเรามีทรัพย์ไปซื้ออาหารใส่บาตรมันก็เหมือนกันเอามีทรัพย์ไปซื้ออาหารเลี้ยงเด็กพิการหรือเอาไปแจกใครมันก็เหมือนกันทั้งนั้นเป็นการทําวัตถุทานแบ่งปันวัตถุข้าวของเงินทองให้แก่ผู้อื่นก็เรียกว่าทาน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะการที่เรามั่นคงกับอะไรสักอย่างและมันจะเป็นการยึดมั่นถือมั่นไหมคะและทําไมมันถึงไม่ดีคะกับการที่เราเป็นคนมั่นคงอ๋อถ้ามั่นคงกับสิ่งที่ดีก็ดีมั่นคงกับสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ดีมั่นคงกับการทําบาปก็ไม่ดีมั่นคงกับการทําบุญก็ดีเั้นมันมันมันอยู่ที่สิ่งที่เราไปมั่นคงด้วย การมรดกการพระอาจารย์ค่ะตอนเป็นเด็กอะคะ่ะพ่อสอนให้ฆ่างูพ่อบอกว่าพ่อบอกว่างูมันจะกัดพี่แม่กับพี่สาวเพราะฉะนั้นได้เห็นงูเมื่อไหร่ให้ฆ่าเลยอก็เลยฆ่ามาตั้งแต่เล็กๆอโตขึ้นมาก็พอรู้ว่ามันไม่ดีก็เลยหยุดฆ่าอมันบาปไหยคะอะถ้าหยุดก็ไม่บาปถ้ายังฆ่าอยู่ก็บาปไอบาปที่ทําแล้วมันก็ไม่ล้าง ยก็ต่อไปอาจจะต้องไปเกิดเป็นงูให้เขาฆ่าแทนแล้วเราจะอยู่กับความรู้สึกนี้ยังไงอะคะว่าเราเคยทำผิดในอดีตก็เปลี่ยนความรู้สึกหมายว่าเราถู ก, ถกสอนไปในทางที่ผิดต่อไปเรารู้ว่ามันไม่ดีต่อไปเราก็อยากทำแต่เราก็กำจัดมันได้มันเข้ามาในบ้านแล้วก็จับมันไปปล่อยไม่ทําไปข่ามันเว่ามันก็เหมือนเรามันก็อยากจะหาที่หลบภัย มันเห็นบ้านเราที่ปลอดภัยมันก็เลยเข้าไปหลบมันไม่คิดจะมากัดเราหรอกทีนีเราไปกลัวมันเองพอเราไปกลัวเราก็เลยต้องฆ่ามันเราไม่ต้องฆ่ามันก็ได้เราก็หัดจับงูแล้วถ้าจับไม่เป็นก็ไปเรียกคนที่เขาจับเป็นมาช่วยจับไปหน่อยไม่ต้องไปรู้สึกไม่ดีเพราะว่ามันผ่านมาแล้ ว, ลวไปเปลี่ยนนั้นไม่ได้แล้วเพงแต่ถ้าเรารู้แล้วก็ถือว่าเราโชคดีแล้วต่อไปนี้เราจะได้ไม่ฆ่างูต่อไป ถึงแมมันจะกัดแล้วก็ปล่อยมันกัดแลอย่างมากก็ตายยังไงก็ต้องตายแต่ไม่ต้องไปเป็นงูให้เข้ามาฆ่าเราตายแบบงูกัดตัวงูกัดตายไปสวรรค์ไปเกิดในสวรรค์ดีกว่าคำถามจากทาง Facebook ค่ะจากคุณแก้วตาค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะบอกทางโรงเรียนว่าจะขอถวายพระประธาน แต่ทางโรงเรียนบอกจะหล่อพระเกินงบเราเราขอถอนตัวบาปไหมเจ้าคะอ๋อไม่บาปหรอกก็เราก็ทำบุญตามกำลังของเราเราก็ไปสอบถามเขาถ้าเขามีโครงการที่เขาจะทำก็ก็แล้วแต่เขาไปอันนี้เราก็ไม่รู้เราก็ให้ไปสอบถามดูเฉยๆการไม่ได้ทำบุญนี้ไม่บาปหรอกงั้นไม่ต้องกังวลนะทำใจให้สบายได้ เดี๋ยวไปหาทําที่อื่นก็ได้ทําที่เรามีกําลังทําตามกําลังของเราคำถามจากคุณวุฒชัยค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ขอความเมตตาถ้าเราปรารถนานิพพานแต่ไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องถ้าชาติหน้าได้เป็นคนจะถึงฝั่งอมตานิพพานไหมครับก็เหมือนนักเรียนอ่ะจะอยากจะได้จบแพทย์อย่างเงี้ยมันจะเรียนมันจะจบแพทย์มันก็ต้องเรียน่ะ ถ้ามัเรียนบ้างไม่เรียนบ้างมันก็ไม่จบใช่ไหมก็เหมือนพวกที่เรียนรามนะฮะเรียนรามนี่ไม่รู้กี่ปีบางคนกว่าจะจบบางคนก็ไม่จบอันนี้ก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างมันไม่รู้กี่ชาติจะจบก็ไม่รู้เหมือนกันฮะมันก็ต้องปฏิบัติไปจนกว่ามันจะจบถ้าปฏิบัติมากปฏิบัติเยอะเอาวัจจารับรองเจ็ดวันก็ได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดวันก็ไม่เกินเจ็ดปี แต่ถ้าปฏิบัติแบบหอมพอหอมปากหอมคอปีละครั้งสองครั้งปีหนึ่งมาอยู่วัดสักครั้งสองครั้งก็ไม่รู้กี่กี่ชาติแล้วกว่าจะากว่าจะไปถึงนิพพานได้คำถามจะกคุณวิสังคค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอเรียนถามว่านอนหลับแล้วฝันมากมายหลายเรื่องฝันทั้งคืนเลยจะทำอย่างไรดีครับ ก็ช่วยไม่ได้แล้วเรื่องของความฝันก็ต้องรับไปมันเป็นเหมือนวิบากของเรางั้นก็พยายามฝึกจิตให้มากๆทำบุญให้มากๆอย่าไปทำบาปแล้วต่อไปมันจะฝันน้อยหรือถ้าฝันก็จะฝันดีเออถ้าเราควบคุมความคิดได้จิตมันก็จะคิดน้อยเวลาหลับมันก็จะฝันน้อยหมนแล้วเหรอยังเหนื่อยข้าน้าที เรื่องบุญเรื่องบาปมันมีผลนะมันแสดงผลตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตายตอนนอนหลับมันก็จะเป็นหนังตัวอย่างให้เราดูเวลานอนหลับฝันร้ายเนี่ยเวลาตายมันก็จะฝันร้ายอย่างนี้ไปจนกว่าจะเกิดใหม่ถ้าฝันดีมันก็จะฝันดีไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดใหม่อันนี้ส่วนหนึ่งของผลที่เราเกิดจากการทําบุญทําบาปนอกจากนั้นก็ใจจะมีความสุขความทุกข์ก็อยู่ที่การทําบุญทําบา เราทำบุญนิจใจเราจะมีความสุขเราทำบาปใจเราจะมีความทุกข์ส่วนรางวัลที่เราจะได้รับจากการทำบุญทำบาปจากคนอื่นนี้ไม่แน่นอนบางทีทำบุญแล้วไม่มีใครมามาขอบใจเราไม่มีใครมาแสดงความยินดีหรือไม่มีใครให้รางวัลเราก็ได้หรือเวลาทำบาปแล้วอาจจะไม่มีใครจับเราไปลงโทษก็ได้หรือเราหลบหนีได้เขาจะจับเราแต่เราหนีเก่งกว่าเขา เราก็ยังไม่ต้องไปใช้บาปได้ผลอันนี้ไม่แน่นอนคนเราชอบมองตรงผลอันนี้เลยจะทำให้เกิดความหลงผิดทำบุญก็เลยไปคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำบาปได้ดีมีถมไปก็เลยคิดอย่างนี้กันแต่ไอ้ผลที่ได้แน่ๆไม่มองกันคือมองที่ใจเราทำบุญแล้วใจเราเราจะเย็นจะสบายทำบาปแล้วใจเราจะร้อนไม่สบายนอนหลับก็ฝันร้ายถ้าทาบาป ทำบุญก็จะฝันดีตายไปก็จะฝันยาวฝันดีไปยาวเลยหรือฝันลายไปยาวเลยแล้วเวลากลับมาเกิดใหม่ก็ถ้าทำบุญก็กลับมาได้ร่างกายที่ดีกว่าเก่ามีชีวิตที่ดีกว่าเก่าถ้าทำบาปกลับมาเกิดก็จะได้ร่างกายที่เลวกว่าเก่าชีวิตที่เลวกว่าเก่าอันนี้เป็นผลของบุญของบาปที่เราทำกัน มีไหมมีจากคุณพิมพรค่ะกราบเรียนเจ้าค่ะใช่เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เทศในวันนี้ก็คืออยู่คนเดียวดีที่สุดเลยค่ะและไม่มีความอยากเลยค่ะและหนูก็ไม่ได้ใช้พุทโธเลยค่ะเพราะมันไม่มีความอยากค่ะและมันก็ไม่คิดอะไรเลยค่ะอยู่คนเดียวใจมันสงบดีมากมีความสุขดีค่ะและก็ลืมที่จะใช้พุทโธช่วยให้ใจสงบเพราะเราสงบแล้วจริงๆค่ะ กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะที่ได้ฟังธรรมะดีๆปฏิบัติตามคําสอนแล้วทําให้จิตใจเรามีความสุขดีหนูจะได้มีดวงตาเห็นธรรมค่ะกราบสาธุสาธุค่ะที่ไม่มีความอยากเพราะว่ามันได้ทําตามความอยากหรือเปล่าบางทีที่ว่าเราไม่มีความอยากเพราะว่าเวลาเราอยากจะดื่มกาแฟเราก็ดื่มเวลาอยากจะดูทีวีเราก็ดูเราอาจจะไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องของความอยากก็ได้เราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติ อันนี้ก็เป็นความอยาก <sm all> ถ้าอยากจะรู้ว่ามันมีความอยากเป็นความอยากหรือไม่เวลาอยากจะดื่มกาแฟก็อยากไปดื่มมันสิแล้วดูซิว่าความอยากดื่มกาแฟมันจะมากวนใจเราหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นความอยากมันก็จะไม่มากวนใจเราไม่ดื่มก็ได้ไม่ดูก็ได้อย่างนี้แสดงว่ามไม่มีความอยากแต่บางทีเราถือว่ากิจกรรมที่เราทําเป็นประจํานี้ไม่ใช่เป็นความอยากมันเป็นความอยากเท่านั้นแต่เราไม่รู้ ความอยากที่ไม่เป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นความอยากก็คือการกินข้าวกินวันละมืออย่างเงี้ยถึงเรียกว่าไม่ได้กินตามความอยากถ้ากินมากกับมื้อหนึ่งก็อาจจะเป็นความอยากแล้วเพราะถ้ากินกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้กินมื้อเดียวก็พอกินมันให้เต็มที่เลยให้มันอิ่มเต็มที่เหมือนเติมน้ำมันรถก็เติมที่มันเต็มถังไปเลยไม่ต้องแบกมาเติมทีละเครื่องถังอย่างเงี้ยการกินก็กินแบบ กินด้วยความอยากก็มีกินด้วยความจําเป็นก็มีกินด้วยความต้องการของร่างกายก็มีอย่เราต้องรู้จักแยกแยะว่ามันเป็นความอยากเราไม่เป็นความอยากถ้าไม่เป็นความอยากก็ดีใจขออนุโมทนาด้วยถ้าอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมีแค่ปัจจัยสีก็พออย่างนี้ถือว่าแสดงว่าไม่มีความอยากไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีทีวีไว้ดูไม่ต้องมีเพลงไว้ฟังอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าไม่มีความอยากจริง ถ้ายังฟังเพลง ย, ยังดูหนังยังดูละครยังไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อยู่อย่างนี้ยังมีความอยากอยู่หมดแล้วเหรอมีคำถามจากคุณ ก, กะระหนกรัฐค่ ะ, ะ, ะสุดท้ายนะกราบเรียนถามเจ้าค่ะตอนนี้อยู่ต่างประเทศเพิ่งเสียคุณพ่อไปในใจยังคิดถึงคุณพ่ออยู่ตลอดเวลาเวลาเราเจ็บป่วยก็ยิ่งคิดถึงมากควรจะทาตัวปฏิบัติอย่างไรค ะ, ะเราต้องนึงใจให้เราอยู่ปัจจุบัน อยู่กับความจริงความจริงตอนนี้ก็คือไม่มีคุณพ่อแล้วคุณพ่อเป็นอดีตไปแล้วก็ปล่อยท่านไปชีวิตเรามันต้องผ่านไปต้องเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ต่างๆถ้าไปย้อนอดีตแล้วไปมันจะเกิดความอยากเกิดความเศร้าขึ้นมาได้งั้นถ้ามันไปคิดถึงคุณพ่อก็เราก็ต้องหยุดความคิดนี้ให้ได้อัดท่องพุโทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปแล้วต่อไปความคิดถึงคุณพ่อก็จะหายไปอยากจะถามอีกไหย อ่าาถได้เลยพอดีหนูเพิ่งเสียคุณแม่ไปนะคะเมื่อเดือนที่แล้วแล้วอตอนเนี้ยก็คือพยายามทําบุญนะคะก็คืออ่าเหมือนที่หลวงพ่อบอกนะคะก็พยายามทําบุญอุทิศไปตักบาตรบริจาคทานบริจาคเงินอะไรอย่างนี้ยค่ะอ่าแม่เพิ่งจะเสียไปได้เท่ากันสักเดือนนึงนะค่ะคิดว่าอยากสที่อยากจะรู้ก็คือบุญที่ทําไปเนี่ยท่านจะได้รับไหมสามารถส่งไปให้ท่าน ไ, ได้แต่ <จะ S 2> ต้อ ง, งแต่อทําทเฉพาะช่วงนี้เดี๋ยวพอหายทุกข์แล้วก็ไม่ทําเดี๋ยวท่านก็อดอดยาเพราะว่าบุญพวกนี้มันแบบกินวันต่อวันเหมือนกันให้ขอทานต้องทําทุกวันใส่บา ท, ทุกวันแล้วก็อุทิศไปทุกวันเพราะบุญอุทิศนี้อุทิศได้เพียงเล็กน้อยเหมือนเงินที่เราให้ขอทานยานั้นเราต้องทําไปเรื่อยๆทุกวันไม่ใช่ช่วงนี้แม่ตายเศร้าโศกเสียใจก็เลยทํากันใหญ่ พอหายเศร้าโศกเสียใจก็ลืมแม่ไปนะแล้วอุทิศนี่คือเราต้องอุทิศด้วยการกรวดน้ําไม่ต้องใช้น้ําก็ได้ใช้แค่ใจใช้แค่ใจบอกขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับคุณแม่เวลาทําบุญเสร็จใส่บาศเสร็จบอยจากไรเสร็จก็อุทิศได้เลยไม่ต้องมีพระมาสวดให้พรอะไรงนั้นไม่ว่าเราจะทําบุญอะไรก็แม่ได้ใช่ไหมคะได้เหมือนกันถ้าเราถือบุญปล่อยป้าปล่ยจากเงินให้โรงพยาบาลอะไรเงี้ยได้ขอบคุณค่ะทุกครั้งทําบุญก็บริจากคิด ไปที่ให้แม่ไปเพราะเราไม่รู้ถ้าแม่เป็นขอทานมาก็ต้องรอรับทุกวันอ่ะมันเป็นเปนบุญที่ใช้ได้เพียงแค่สั้นๆแล้วก็หมดไปเนี่ยเราต้องทําบ่อยๆทําอยู่เรื่อยๆหลวพ่อแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพูดการพูดพูดทางใหม่กันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าแม่เขาไปเกิดใหม่แล้วหรือว่าเขาไปสบายแล้วเหมือนไปไปสวรรคะ์คือไม่ตกนรกแล้วอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอก เพราะเราไม่รู้เราทําเผื่อไว้ไงถ้ารู้ก็ไม่ต้องทําถ้ารู้ว่าแม่ไปสวรรค์ก็ไม่ต้องทำํำถ้ารู้ว่าแม่ไปเกิดแล้วก็ไม่ต้องทําที่เราทําเพราะเราไม่รู้เราเป็นห่วงก็ทําเผื่อไว้เคาใจนะโอเคเราคิดว่าพอสมควรแต่เวลาก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิชพิจารณาไปปฏิบัติ